พาในทินคูบาจาย์ทั้งเฮ้าก็รู้สึกว่าลายอยู่ด้แต่ลงไปไปทินอื่นหนูรู้สึกว่าน้อยไปถินอื่นรู้สึกว่าน้อยโดยเฉพาะยังเย็นวัดปลาวัดปลาของเฮ้าเนี่เพราะมีคูบาจาย์มีแต่ฝ่ยประหยัดแค่ส่วนมากแต่ทางอุดอรของเฮ้าเนี่ยอำเภอบ้านผือเด่นหลายบ้านผือเนี่าานนมากกว่า บ้าเมื่อกี้บ้านผือมาหูหลายหลายร้อยองค์อำเภอบ้านผือแต่นายโย่งในกับน้าโสมนายโย่งโอ้จัดปีนจัดไม่เท่าไรเมื่อนั่นเจ้าพณะอำเภอบ่อบ่ได้มาบ่อได้มาวัดหลวงพอ่อเลยบอ่อได้ทำแต่บ่อปันมมน้ำโสมในประมาณเท่าไหร่ร้อยถึงสองร้อยพระจำบรรษาปีนแต่สังคมเท่าไหร่น ตัวมากกเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่ท่านอาจารย์ยาอ๋อ็ยังควบคุมทั้งสามอำเภออยู่ะนะเจ้าคณะอำเภออาจารย์ยาควบคุมทั้งสามอำเภอคนน่ะเป็นเจ้าคณะอำเภอสามอำเภออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพต สมองเพลงเบิกหนะ้าลกหลานหน้าไหวพระสวดมนต์นางาวนาปฏิบัติศีลธรรมหลวงพอ่อมีหนังสือเล่มหนึ่งแจกสงสัยมืตะวัหนังสือเล่มนี้แจกในงานในงานของวันเกิดหลวงพอ่อเขาเพิ่มมาอีกเลเพิ่มมาอีกประมาณั้สองับ ส, สามพันเล่มหลวงพ่อก็ะจาอีกคนไป อันนี้เป็นว่าหนังสือเรีมนี้ว่าพระคุณของบิดามารดาพระคุณบิดามารดาหลวงพอกิตว่าข้านาวาพรนะบววเน่ยคูบาจานบเวาเรื่องพระคุณของพๆๆ่อของแม่ยิ่งว่ามีผลอะไเบ่าเลยเบิ่งสังเกตุไปเลยว่มีผลอะไบอกพรเหตุใดข้านพอา่อว่าโอ้ยลูกเศร้าจ้าเจ้าสร้างภูจักบุญคุณของพ่อของแม่เถอะเ้ยฮ่าบา่าวเลี้ยงมาแล้วทัทาเล็กน้อยลูกหลานเขาปฏิวัตจังจัดอีก พ่อแม่ก็จักสิวาจังไหอยากเบอกอยากสอนอยู่แต่การสอนเนี่ยยันเขาย่อนสอนมันไปเ <c oughs> ออก็เลยบอกล่าวบอกว่าได้ไปไประชุมนักวิชาการต่างๆบ้านนี่ก็จะบอกแต่เรื่องวิชาถ้ามาหาเรียงฉีพวิชานันวิชาหี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็ไม่มีโปรดรีบเาขึ้นกันตนกําเนิดและตนกําพืดของเฮ้ามาจากใสขั้วจะหูจักบุญคุณจังไดพ่อแม่มีบุญคุณอุปกรารคุณกระเพ้าจังได พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระคุณจังใดสาหรับเท่าโดยมากาอย่พมีผู้ใดบอกนอกจากพระสงค์สีบอกกัรประสงค์เบาๆมัดหมองสีบอกอีกขึ้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเนี่ได้บอกเวลาทรงการก็ดีเวลาปีใหม่ก็ดีหลวงพ่ อ, อเออลูกหลานพวกเท่าอย่าลืมเจ้าของเน้อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือประเทศชาติบ้านเท่าบ้านเมืองของเท่า นับถือพระพุทธศาสนามี่ผันบั่นพบรุษของเข้าที่ปกป้องประเทศชาติมากอันนี้ก็คือชาติศาสนาก็คือพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจําชาติบ้านเต่พอคุณศีอินทราธิดพอคุณล่ามกําแหงและก็กรุงศรีอยุทยากรุงรัตนโกศิลนี์เป็นปกป้องประเทศชาติมากเบิงโนก ประเทศชาติชาติไทยของเขาเนี่ปกคล้องมากโดยถรำมีศาสนาพุทธศาสนาพวกเขาสิเบริงโหดวัดว่าศาสนากรุงศรีอยุธยาเอาเรื่องพม่ามาะมะลมัดตีกบว่ากันล่ะเพราะพวกเข้าทะเลาะกันสมัยนะั้นชางศึกษาคนน่ะเป็นอย่งพม่าะจึงมาตีเมืองไทยแตกเข้านั่นก็เพราะเมืองไทยทะเลาะกันผู้หน่อยพ่กเป็นผู้หน่อยผู้ใหญ่พวกเป็นผู้ใหญ่แข่งดีกันเขาก็เลยมาตีกันยังคูมือนี่หละ่ย เนีเมืองไทยปกครองของมือเนี่ประชาธิปไตยเนีผู้ใดไปทางไหนก็โ h ผู้ใดไปทางไหนก็โห o คนเราไปเนีบ่อให้เกียรติกันบ่ให้ซักให้สีกันบาท้าตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาไปใส่เกาโ ho คือเกล้าไาเนี้กรรมวันนั้นมันบ่อไปใส่มันมาหาเจ้าของสรุปเลยคือประเทศชาติของเขานี่บ่เป็นเอกภาพบ่อเป็นเอกฉันแตกแยกสมัครขี้กันผู้หน่อยบ่อเป็นผู้หน่อยบ่อเป็นผู้ใหญ่บ่อเป็นผู้ใหญ่ คือจุดนี้เป็นจุดดอยของชาติไทยของเฮ้าเดี่ยวนี้ว น, นไปเนี่ยคณะนี่คันว่าเมืองไทยของเฮ้ามีความพร้อมเพียงสมัครขี้ผู้ใดเป็นใจก็เออซอยเหลือกัน เ, เบิ่งกันเกื้อกูล น, นุนกันนับเคารพนับถือกันหลวงพว่าประเทศชาติจะไปได้คือกันครับนี่นะให้พวกเข้าคิดตรงน้นว่านักฟุตบอลของเมืองไทยนี่บอกเก่งเพราะเหตุใดเพราะว่ามันเล่นงานเป็นทีมเออ มันมีโกมันมีแบกแล้วก็ปีกไส้ขวาแล้วมีกองหนาเอขั้นฮักว่าอไส้ขวานี่เอบอส่งให้ใกองหนาเป็นหมดแล้วเรียกว่าแบกบอสทำนาทีเตรียมทีโก้กับปอยเขาก็เตะเขาเข้ากันเป็นผูแพร่อยู่ตลอดขึ้นคาราว่าพวกเข้าเข็มแข็งทุกค้อนมันละมีนาทีซอยกันมันละไป ไอ้พวกบ๊กเนีเตะให้ปีกไส้ปีกไสก้ก็หาลบก็ส่งให้กองหนา้ากองหน้าก็ไปยาปะเตะเขาโกเขาอะไรไปคล้าๆว่าท้ำนาทีให้ดีที่สุดแต่ละนาทีให้หูยักษ์นาที่เจ้าของปมล ง, งพอวา่าประเทศชาติฝานเมือนรุ่งโรดอันนี้เวยกูจะเตะไปเนี่ยเตะไปให้กองหนา้นาประานกองหนา้าเตะได้มันได้หนาชื่อเออมันได้หนาตะกองหนา้า กูจะโปเตะให้ไล่ะบาทห้าเขาเขาเตะมาวะเนี่ยเขาโก้เ ข, เขจะขอมาเนี่ขายหนาบัดประเทศบาทเนีเออ่ยมันบวรเป็นขายหนาแต่ผูนูนันเพราะไอ้นั่นเรื่องโมงนี่คือกันลงพอว่ารที่พวกเข้าทาะเลวิวาทกันหรือว่าบ่อผอมเพียงสามขี้กันเลยครับเพราะความอิจฉากันย่านพูนันได้นะยันพูนั้นได้ดีผลนที่สุดก็เลยเสียหายทางประเทศ ทังบ้านทั้งเมืองคู่มือติดลงพ่อเบิงบ่งเบิ่งอันนี้ก็คือชาติศาสนาก็คือพระธรรมค้าสอนของพระพุทธเจา้าก็คงเส่นโค้งว่าพวกเข้าคิดบังลุกพระพุทธเจ้าพันสอนไปสองพักว่าปีให้ท่านเนะ้อรักษาศีลเนนะ้อภาวนาเนะ้อเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ท่านพระพุทธเจ้าพันบอกว่าคนเข้านี่บ่มีท่านบ่มีนำใจต่อกันไปหากันบ่มีนำใจต่อกัน มิตรกีตันีทีเหนียวขอู่ลุยแล้วลก็บรจักษ์สาง ล, งลุ่ลําุ่มเรียงเนีบรจักษ์สางล่งพยาบาลบรจักษ์มีน้ำใจสางสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่พ้นที่ยากจนกว่ามีตรกอบมีตรโกยเออแล้วก็แนวด้ายสีห้างสีมีขูดลดพี่นองประชาชนอีกต่างหากและประเทศชาติในยุคนั้นสมัยนั้นและชุ่มชนในกลุ่มนั้นจะหาความสุขสบายหาความลมเย็นเป็นทุกแต่ยาก แต่ว่าผู้ใดลำลุวยขึ้นมาแล้วก็เออเอามองพี่มองน้องมองลูกมองล้านมองประเทศชาติบ้านเมืองสี่ซอยเหลืออีกย่างใดลงหลับลงเลี่ยงรงพยาบาลอาณาไม้ถนนโหนทา่าสะพ้องสะพานอิหยังมันขาดเหลือขาดตกซอยกัดต่างคนต่างซอยคนละไม่คนละมือคนในยุคนั้นคนมียุคที่มีนามใจคนที่ยินดีในการทํททาบุญทําท่าน คนในยุคนั่นก็หล่มเย็นเป็นสุขพราะคนมีนามใจแต่ว่าคนผมมีนามใจในยุคใดยุคนั่นเดือดร้อนอันนี้ก็คือท่านศิลก็คือกันคันว่าคนยุคใดสมัยใดผมมีกฎผมมีอะเบียบอยู่น้ากันผมมีกฎหมายคุ้มคล้องเนี อ, อยู่น้ำกันก็นแบบเอาลัดเอาเปรียบกันผู้ใดมีอํานาจเหนือกว่าก็ใส่อํานาจคู่เข็นบังคับหรือว่าใส่อํานาจไปในทางทีผูถูกต้องอันนั้น ในยุคน่้นสมัยนั้นก็เลือดร้อนนี้ขึ้นกันเพราะผมมีกฎผมมีระเบียบอันนี้คือศีลในหลักของพุทธศาสนาคือศีลศีธาของพระพุทธเจ้านี่คือกฎคือระเบียบด้วลูกหลานชะใตญาติโยมนะพวกสุ้าจะขากันเด้อนะสิในหลักศีลหาคันว่าเฮ้าไปคาผู้อื่นะ่ะไปคาเขาคาพี่น้องลูกหลานของเขาห่ะเขามีความรู้สึกจังใดเขามาหาคาพี่น้องลูกหลานของเขาห่ะเขามีความรู้สึกจังใดเขาดีใจเพราเขามาคาเฮ้า เ, เ, เ, ข เ, เ, ขเขาก็เสียใจเมื่อเข้าไปเสียใจเข้าไปทําให้ผู้อื่นเขาก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั้นให้เคารพสิทซึ่งกันและกันเนอให้รักกันไว้พอเขาก็หักกลุ่มของเขาเขาก็หักกลุ่มของเขาอย่าไปเบียดเบียนจึงกันและกันนะอัที่น่าท่านคือกัจะไปขโมยของผู้อื่นเขาเนอะคันว่าขโมยพ่อแม่พี่น้องหลุกร้านเขาไปเรียกค่าไทย เ, เขาเสียใจบอสเขาว่าขโมยของเขา้าเข้าเสียใจว่าเขาก็เสียใจ เขาโมยง้อขาโมยควายเขาโมยรถล่าของเฮ้าขาโมยสิ่อของของเฮ้าลองเท่าของเฮ้าเฮ้าเสียใจบ่เสียใจเพราะนั้นหาขโมยของผู้อื่นเขาเสียใจเขาเขามาขาโมยของเฮ้าก็เสียใจเพราะนั้นยาขโมยกันเนอพอบุตรเจ้าคนว่าให้เคารพสิทธิ์กันเอาหัวใจเขามาใส่ใจเฮ้าเอาใจเฮ้าไปใส่ใจเขาหันเฮ้าเป็นของเฮ้าหรเอเฮาเสียใจบ่เสียใจเขามาเป็นของเขาหรือเขาเสียใจเขาก็ต้องเสียใจเพราะนั้นยาลวกเกินกันให้เคารพสิทธิ์กัน กาเมสุมิาจารย์คือกัสามีภรรยาหลูกหลานขอกไผเขาปรลักสังวนหวงแหนถ้าเข้าไปกับซากลากถูไปคมนําจิตนําใจเขาเขอรบซิดของเขาเน่งเขาเสียใจพี่น้องหลูกหลานของเขาสามีภรรยาหลูกเนื้อของเขาเขาเสียใจพนัญญาให้ครบซิดจึงกันและกันเน้อคอที่สี่มุษย์ายขาี่ตัวกันเน้อแต่พูกได้ขี่ตัวกันต้มตุนหลอกล่วงกัน ชิปหายเลยบางที่เห็นหมัวต้มตุนหลอกล่วงกันผู้นั้นเอาอันนั้นไปหลอกคนีเอาเล็กไรบอกไปหลอกเขาบอกเอาเงินเขาบอกเอาของเกศไปหลอกของจริงบอกจริงสิไปต้มตุนหลอกล่วงเขาเอาเสียนเช็คให้เขาบอกเป็นเช็คเด็งเช็คห่อมีในเงินหมนมีเงินในธนาคารจริงอ่าล้วนแล้วจะเป็นขี่ตัวถามกันแล้วมันเป็นยังไงบ้านคนขี่ตัวเต็มบ้านเต็มเมืองล่ะ ขันท่าไปขี่ตัวเขาเขาก็ถูกใจเมื่อเขาไปตมเงินของเขาละ่ะเขามาขี่ตัวเข้าขึ้นกันเออมาตบตุ่นหลอกล่วงเข้าละเอาเงินของเข้าไปละเข้าเสียใจปะเขาก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพูดว่าเอออย่าไปขีดตัวอย่าไปตมตุ่นเขาเลยเทวมุสาวาทาเวรมณี่ขอทิหาสุราเมรยะมัชชะปามาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่าไปกินเหล่าเนะ อย่าไปกินขั้นชายาฟินอย่าไปฆ่าเนะอย่าไปฆ่ายาบาดยามาเนอะข้นเข้าไปฆ่ายามายาบาดขึ้นกันขั้นชายาฟินขึ้นกันในเมื่อเข้าไปฆ่าแล้วไปเนี้เข้าไปขายให้ลูกให้ร้านเขากินลูกร้านเขาติดหยาบาอเพราะไปติดยาบาบวะเนี่ยเป็นยังไงบางนี้เออถ้าเป็นถ้าว่าเป็นยังลูกร้านของเข้าล่ะเออพอบ้านแม่บ้านติดยาบาเป็นยังไงเออ นี่แหะอันนี้คือสุราเมรยะต์มัชชาค้นวัตถือเจ้าของของเจ้าของจะค่อยหูขคานวัตถือผู้อื่นเจ้าของก็ดีใจพราได้ขายให้เขาค้นวัตถือพี่น้องลูกหลานของเฮ้าหรือเล่าบาร์เท้าเฮ้าเถาแก่ชะลามากบัดเฮ้าเคยยาขายยาบ้าให้เขายามาให้เขาขั้นชายาฟินให้เขาพ่อเขาติดว่าร์ท้าเฮ้าเ่ามากบัดลูกหลานของเฮ้าติดยาเ ม, ม่าเม่ายาบ้ามากเออเตะการค้อเฮ้าบัด เพราะมันบาปกรรมมันมันไปใส่เด้มันมาหาเจ้าของเลยเสี่ยงโมนีมันต้องได้คิดขึ้นกันเด้เพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับผูกกับหลานนะคนที่ติดยาบ้ายาม้마แล้วคนที่ดื่มสุราเข้าไปขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเนี่ยทําความชั่วด้ทุกอย่างเพราะเห็นไหมขาพ่อขาแม่ก็ได้อยากโผลเข้าเห็น่าพี่ขาน้องก็ได้ขาลูกขาดหลานก็ได้เพราะมันขาดสติขโม้ยไพ่ก็ได้อีกพราะขาดสติ ลาบระรลวงสามีภรรยาลูกหลานไผ่ก็ไรอีกเพราขาดสติที่ตัวไผ่กระไรอีกขาดสติเนี่ยแหละคนที่ขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างอันนี้คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันต้องให้เขามีซิ่งต้องมีกด ต, ต้องมีระเบียบเพราะนั้นขอให้พวกเข้าลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะให้มีกดให้มีระเบียบให้มีศินสรุปแล้วให้มีศินเนี่ยนึว่าปานาอธินากาเมมุสาสุราเนี่แหละคือสินหา คือกดปายก็ว่าได้กดตะเบียบก็ได้กดมูก็ว่าได้วไดความรลมเย็นเป็นสุขก็ว่าได้คือกดคือศีลเรื่องธาตุคือเรื่องสมาธิแต่นสมาธิคือคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาเปิ่นสร้างสอนเอาไว้ท่านเ้มาพูดถึงเรื่องพระคุณของพ่อแม่ไว้พระคุณข้ามเนี่ยนะคือคุณจกากฝากมหากษัตริย์อีกส่วนหนึ่ง ที่ปกครองประเทศชาติฝานเมืองของเขา้าพระเจเ้าเพนดินปกครองประเทศชาติพวกเข้าต้องมีประวัติศาสตร์เอเป็นผู้ดูแลประเทศชาติชาติไทยของเขา้าเ่าเป็นขีดขาประเทศอื่นเพราะเหตุใดพวกเข้าได้คิดว่าเมืองเล่าก็เป็นเมืองขืนของฝรั่งเศสคําเห็นก็เป็นเมืองขืนฝรั่งเศสเมืองย้อนก็เป็นเมืองขืนฝรั่งเศสอินโดนีเซียประเทศใหญในประเทศเขาก็เป็นเมืองขืนของท่าไฟ โปรตุเกสทั้งผุ่นห่อนแล่นและอิโดสิงคโปร์มาเลสพามา่าเป็นเมืองคืนของอังกฤษย่งเหลือแต่เมืองไทยออมป่องมาที่พบเป็นเมืองคืนของเขาเพราะเหตุไดมันต้องมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้เพราะว่ารชาชการที่หาที่เป็นผู้ปกครองประเทศในยุคนั้นเพื่อนแลนผุนแล น, น, นผีกเพื่อเอายกประเทศของเจ้าของ่ให้เป็นกีฬาของประเทศอื่น พอประเทศอื่นเขาถึกเย็ดหมดแหละเป็นขีขาของเขาหมดแหละเมืองไทยของเขาเนี่เออแลนไปเพิงเยอรมันแลนไปเพิงรัสเซียพรอว่าแลนไปเพิงอังกฤษกับใครได้ฝรั่งเศสก็เออไปเพิงสัตว์ตัวไปไหนมีเขาสี ม, ม่วนเขาปากเลยม่อเป็นแลนไปเพิงเขาพวกนั้นเขาก็าปอกปลอกไว้เออประเทศไทยกําลังพัฒนาอย่าไปแตะนะเป็นหมูหมเพื่อนของเขาเนะ บาในเมืองไทยก็เลยหลอดพ้นจากการเป็นเมืองคืนของอังกฤษและฝรั่งเศสนี่แหละเพราะเห็ุไดเขาเพราะว่าเจ้าฝ่าเจียงแพร่ดินของเข้าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเอาไว้นี่แหละอันนี้คือคุณข่าของประเทศโอ้ยนาเสียใจไว้ยเคมันเป็นขีขาประเทศอื่นคือประเทศเล่าประเทศนเคมรนนี่ประเทศยุนประเทศพมา่าแถวนั้นทีดีเลยแม เดี๋ยวนี้พ่อเหตุใดเพราะเมืองไท่เข้าบอกเก่งภาษาอังกฤษขั้นเข้าเก่งคานาวาเข้าได้เป็นขีกาเขาเนี่ยเมื่อไถ่เข้าจะเก่งภาษาอังกฤษไงเสียใจจังสันบอกเออเพิ่งเป็นผู้ใดได้จะจะเป็นหนึ่งสันเออเสียใจมากๆเลยพอเข้าเมื่อไถ่เข้าพอได้เป็นขีกาเขาฮพอเข้าบอกเก่งภาษาอังกฤษเออคานว่าเขาเป็นขีกาเขาเนี่ยมันจะเก่งภาษาอังกฤษกว่านี้ละแม่หลวงพ่อนี่บ่แล้วบ่เขานั่มวนออไป อยากเป็นอิสระอะไรมาหน่อยณควาเมืองไทยของเขานี่เป็นประเทศที่อืรัฐการที่หาประเจ้าแเ่นดินของเขานี่เป็นผู้มีปีชาสามารถจริงๆเอาประเทศชาติหลอดพ่นจากปากเยวปากกามาไดใน่าจะยกย่องเชิดชูบูชาเพราประเทศไทยของเขานี่มีความเจริญก้าวนะมาถึงจุดนี้นะประเทศไทยของเขานี่เป็นจย่างไรดอยเขาเขาใช่ไหมบอ่อแล้วมีแต่ความถ้าแต่ว่าเอามาประชาคมอาเซียน ที่จะขอม้าสองสามาปีข้างห น, านงงห้าเนี่เมืองไท่ของเขานี่ต้องน้ำนาหลวงพ่อว่ะต้องน้ำนาเขาะถ้าว่าเมื่อไท่ของเขาเนี่ย่งยางน้าก้นเขาเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลชุดใดก็าตามในชกที่จะเป็นเนี่แย่มากเลยเอีทั้งที่ปูญาตายง่ายมากปกป้องประเทศชาติมากคืนข้างนาที่แหละมาถึงยุคของเขาเนี่ย่างยาง น, น้าก้นประเทศที่เขาหาก็เป็นเอกราชเอีแสดงว่า ประเทศชาติของเขาเน่ะแย่มิแต่ทะเลาะกันบ่มีผู้ใหญ่บ่มีผู้น้อยบอ่มีสูงบ่มีต่าบ่เคารพศิษย์ซึ่งกันและกันเห็นแต่ทิฏฐิมานะอิจฉากันอิจฉ า, าตาเหลือกันจนประเทศเดินหน้าบ่ได้สิ่งโมนีมันต้องตํำนี้ตำนี้พวกเข้าเองกันออกไปตํำนี้เพื่ออย่างตํำนี้เพื่อให้ทุกคนสํานึกมหาตัวเองให้มองตัวเองให้ทุกคนให้มองตัวเองอย่าไปมองผู้อืน่น อ, ออย่าไปมองคนในแง่ร้ายลงตามหาบัวพันวาตัเ น, นีเย อ, อคนเท่ามันตองมี่ดีมี่บอดีอย่าไปมองกันในแง่ลายให้มองแง่ดีเอาไว้การข้ น, นมังกันในแง่ดีแล้วนั่นแหละต่อไปก็มันก็จะมอ่งมุมมังต่างข้นต่างเกลือกูนโหนกันผู้หนึ่งได้หนึ่งผู้หนึ่งได้นึงเออมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประเทศชาติก็จะลังลายไปได้แต่ทุกวันนี้เบื้องโน้ตประเทศชาติท มันบัท่นเขาก็เพราะว่าคนในชาติทะเลาะกันแต่ว่ามันขาดในอย่างบัวในประเทศบอมีแนวขาดเขาน้ําโอชนะอาหารพวกสมบูรณ์บริบูรณ์โรงงานผลิตในอย่างมีมากคันว่าน้าท่วมน้ำท่วมเพราะเหตุใกรุงเทพพอน้ามท่วมพอนักการเมือนา ก, กาอนักการเมืองนำไล่นักการเมือกมันไปลงพอวันใครมาถามเลยปีนี้น้ามีท่วมบอกบ่ท่วมหรอกปีนี้เพระปีที่แล้วนักการเมืองเข้าไปแล้วมันต่างคนต่างดันกันพล น, นำไล่ใช่กัน พุ่นนะสี่เอาน้ำคัดไปพุ่นนะภาคตะวันออกพุ่นนะว่ายน้ำไหลลงแม่น้ำเจยายา้าพระญาแม่น้าท่าจีนให้เป็นน้ำพุ่นใะห้เปไหลขึ้นเออหลังเขาใหญ่พุ่นนะมันก็เลยน้ำถ่วงกรุงเทเพเนี่ยเพราะเหตุใดพ่อพวงไหนลราพกนักการเมืองน่นแหละขั้นบนนักการเมืองกานฟั่งพระเจเ้าแผ่นดินที่เพิ่นดูแลเรื่องน้ำเรื่องแผ่นดินเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นก็นที่บอกว่ามันไหลตั้งตํงนาน้ำตั้งไหลตั้งตําเออมัน ก, ก็แล้วอันนี้นักการเมืองว่ห้ไหลไหลไปไปเสียผลประโยชน์เจ้าของ ก็เลยเห็นไลขึ้นหลังเขาใหญ่วนไมันก็เลยน้ามผัมกรุงเทพเพราะไปยังหอกปีเนี่ยเข็นโทษนั่นแหละน้ามพระทัวบวัณฑ์หลวงพ่อวาน่ะอันนี้ก็ให้ฟังๆไว้นะหลวงพ่ออนนาจจะบอกเกินไปวนไปอ mm. อันนี้ก็คือประเทศชาติบ้านเมืองของข้าจะเป็นไปได้ต้องพอมเพียงสามัคคีกันแล้วติมาพูดถึงพ่อแม่บัณฑ์พ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณเข้าเกิดมาจากไสายบัณฑ์ดีหลวงพ่อว่าที่แลกว่อกาลบถึงพ่อแม่ พระคุณของบิดามารดาเข้าเกิดมาจากใสเข้าเกิดมาจากโกนไมไพายบอกจอมปวกหรือพ่องใหม่โกนใหม่เข้ามาเกิดมาจากทองแม่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอแม่ทั้งพอทั้งแม่เป็นผู้ดูแลเข้อยังเขา้าทุกคนที่มานางต่อนหนาลงพอเนี่ยก็มีลูกอยู่แล้วเลี้ยงลูกในยากขนาดใดเนีก้อนที่เป็นผู้ใหญ่คือมาใดเข้าเนี่ยก้อนที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้พ่อแม่เลี้ยงเข้ามายากขนาดใด ก็คือบกบกแพะพวกเข้าขึ้นเพราะนั้นเพื่นยังบอกพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าคือเข้าเกิดขึ้นมาี่เข้าตื่นขึ้นมาแยามมือเ้าะเลยบอกพอเขาตื่นขึ้นมาเข้าเห็นแสงพระอาทิตย์เลยโอ้มันนี่เป็นมือไหมแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอันนี้คือกัดพ่อเขาเกิดมาเนี่ยพ่อเขาลูกซึกขึ้นมาเริ่มตาขึ้นมาทีแรกเขาก็เห็นหนาพ่อหนาแม่เข้าก่อนนั่นแหละพ่อแม่นี่ยเป็นทิศเบื้องหนาคือกับพระอาทิตย์ จากนั้นพ่อแม่ก็สอนเท่าและว่าเนี่อพ่อเทาลูกจักรู้ชึกเดียงสาภาวะพ่อกระลุกกระลิกได้ที่แหลกกระโบหูจักอย่างทั้งขี่ทั้งเหยียวใจพ่อแม่เพ่นกระโบวะเนี่ยพ่นกรเเซ็ดพ่นกระล่างท่องหอกทั้งให้ตักแกงตักแงตักแงตักแงพ่นกระพี้แต่อู่มิดะอย่างมันเป็นอย่างมันยังไเพ่นก็มพีแต่เบึงคือกันกระเผ่าเลี้ยงลูกพ่นเลี้ยงเท่าก็คือกันนี่แหละต่อมาเพ่นกระเลี้ยงจนหูจัก อป้อนเขาป้อนน <Pause. S 1> <tester. S 2> ้ำแล้วก็เอิดเบาเป็นบาทพ่อเ้าเป็นเพื่อนกขาบอกอันนี้เมเนออันนั้นพอนเอออันนั้นพีเอออันนั้นนองเออเพื่อนกขาบอกปีป่านาอาสอนให้บัดเนว่ยได้สิเบาใจได้สิหูจักเพื่อนว่าพ่อแม่เป็นบุกพกาจารยีเป็นอาจารย์คนแรกของบุษธิดาเพื่อนว่าังด้พ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกของบุษธิดาเออเพื่อนว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตร บางขนบัตมาถามอีกบัตรมาถามลงพอเป็นอย่างลงพอจึงว่าพ่อแม่เป็นพระหรหันต์ของของบุตรทิดาบ่บ่แมนที่ยกสูงเกินไปใช่บอกเหมือนยกสูงเกินไปมั้งผมว่าบ่แมนจะพิยกสูงใดเจ้าใดพ่อแม่เป็นพระหรหันต์ของบุตรทิดากระแม่นแล้วเนี่ยคนบอกว่าพ่อแม่บ่แมนพระหรหันต์ของทุกคนเพพ่ะบ๊วยว่าจังสัน่นเลย มันบอกว่าพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาก็ฟังทีสิคธนว่าเข้าเกิดมาจากสาเขาเกิดมาจากพอ่อจากแม่กับพ่อแม่ของเข้าเนี่เป็นพระหันเออพระหันของเข้าเพรานั้นให้ปฏิบัติให้ถูกนะการผูดอะไรปฏิบัติบ่ถูกพูดนั้นเป็นบาปเป็นกรรมเด้พ่อะเหตุใดเพราะพุทธเจ้าพูดว่าอนันตริยกรรมห้าอย่างมาตุคาดฆ่ามารดาปีตุคาดฆ่าบิดาอรหันตุคาดฆ่าพระหัน โลหิ ต, ตุบาททาร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้หอ่อสังฆเพศยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายอันนี้คือบาปนักข่าพ่อข่าแม่ข่าพระหัน์ทำร้ายพระพุทธเจ้ายังพระโลหิตให้หอยุโยงสงให้แตกกันอันนี้บาปนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นเพราะว่าข่าพ่อกับข่าแม่เหมือนกับข่าพระหันนี่แหละมันบาป ถ้าวัดพวกไรก็ตามทำบุญกุณกับพอกระแมนผู้นั้นเป็นบุญเป็นกุศลเน้าลูกหลานเนะ้าเอออันนี้ก็คือขอให้พวกเข้าทั้งหลายได้คิด น, นี่คือประคุณของพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีอุปกระ์คุณก่อนเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุตอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือถ้ำข้ามสอนของพระพุทธจเจ้าเพิ่นบอกไว้นั่นแหละหลวงพ่อก็เลยหยกชาดรกมาเมื่อสองพันหารอยสี่สิบสามบ้นสงการหลวงพ่อก็เลยบอกเรื่องนิท่านชาดรกนิทานมาในธรรมปฏทธธัศกา์าถาไอแกพี่น้องสัตว์ทยญาติโยมหลูกลานในศึกษาหลวงพ่อวานี่นะพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้เลี้ยงดูเขามาก แต่รวยมากเข้าโบสถูจกปุ่นคุ้นของเพลินเด้เออเข้าเฉยๆไม่เม่อยวนไปไอ้ตามไม่จริงพ่อแม่เนี่ยอย่างในพรรษาเนี่ยเอเอเดือนหนึ่งนี่ยเข้าควรจะไปกราบผ้าลูกของเข้าไปกาบพ่อตาแม่ย่าวันเสาร์อยู่ใกล้กันเอ่อหรือว่าวันอาทิตย์เออผ้าลูกผ้าเมี่ยไปกาบพ่อปูแม่ยา ให้กาไปกับพ่อตายไม่ยากคือพ่อเมียเออขา้าไปกับพ่อปูไม่ยากก็คือกับพ่อผัวออผ้าไปกราบไปไหวา อ, อ, อาทิตย์ อ, อ, อาทิตย์หนึงน่งเสาร์หนึง่งหรือว่าอาทิตย์นึงไปพูนึงก็ได้ถ้ามันอยู่ห่างกันแต่ว่าถึงยังไงก็ควรจะผ้าลูกไปกับพ่บอแมนทีออกพ่อวันเสาร์อาทิตย์ว่าหนึ่งพอกับอ้เลาะไปหาตี ก, ก๊อปป๋ไปหาเล่น โบกโบไปหาตีไกลโบเอ่อไปออกนอกลูกนอกทางทางภูมิเ น, นี่ยเกิดนหาเที่ยวหันหาเทียเท่ยวหนีจากนั้นก็นพูดว่าห่างทรัพสินข้าวพูดนะเออปล่อยลูกปล่อยปะลาเลยโบผ้าไปหาปูหายาบาดาเจ้าของเถาแก่ชะล่ามาบาดบาดว่าบอกว่าลูกบหุ่นจักบุญคุ้นของพอของแม่โบพ่าหาเห่าจักเถื่อนที่มาหาเห่าจะได้เพาะตัวเองคนสอนไวเอออยากจะให้ลูกดีก็ต้องทําดีให้ลูกดู ออต้องตัวเอ ง, ต, เองตัวภาพไปหาพอหาเมหาปูหายาถัออางสัตว์มันจะถูกได้ลูกหลานเนะลยคำหลอกโกงเขียนได้ข้าวเฮ็ดปูดีไว้มันบดีมันตามมาหาเห่าเลยข่าวเห่าเฮ็ดดีหรือความดีจะตามมาหาเห่าพอนั้นพวกเขาต้องคิดไว้ให้ดีผู้ใ ด, ดก็ตามพอเมบอกยังอตกฝากหลักดินของได้ใดเที่ยงแล้วบ้าอยังก็เทียงแล้ว บ, บ, บ, บ, บ, บ, บานท้าเจ้าของได้ลูกมาา่านระวังบ้าน เจ้าของบ่ออยังมันเถียงเข้ามัดกูข้ามบันนี้น้ำตาหน่อยน้ำตายัง่ะบาดเออห้องหเออทั้งพอบ้านที่กิดพ่อแม่บ่ออยังพอบ่ออย่างเนี่ยบ่อได้เออมีแตตั้งมัดตั้งมวยเพอเพอเตะพ่ออีตั้งอับาทาหลวงพ่อเคยเห็นเด้หลวงพ่อก็เห็นบ้านหลงพ่อเออพ่อสอนลูกเตะพ่อตกเคือนวงพ่อเห็นเลวงพ่อยหบาพ่อเออพ่อสอนลูกเตะพ่อตกเคลื่อนบาดธาตอมากอีกบ่อดนหมดไปบาทธาหมอนี่ได้เมียได้ลูกมาก เอาแมา่าดลูกเจ้าของแตะเจ้าของอีกหนอย เ, เออมันบกไปใส่เดวอนออกไปกำลอโกงเกวียนมหม่แท้ๆเดวานออไปไอ้พวกเขาสังเกตง น, น, นะที่ลงพอบอกจังสีแล้วนะอ้ขั้นพลายเถียงพอเียงแม่มันลูกขึ้นมากมันสิเียงทัเบิงลเาไปเบิ้หลดเนไ ป, อนไปเอบอบไปใส่รอกเดวอนไปบอกว่าแต่ลูกพอลูกแม่เราลูกซีลูกหาขึ้นไปขั้นพลดยสอบเถียงครูบาอาจารย์บอกอยังตกฝากลากข้ามมาเลยทับเบิ้ลลูกซีดเจ้าของเาวอนไปเอ้ซีเถียงเจ้าของเดวอนไปลงพอบล้ว การดกิดผู้ใดจะมาเถียง์พ่อนี่องพ่อไล่ออกจาก ว, วัดโดยเ่ยพให้ไดพง์พ่อมคยเถียงคูบาอาจารย์เนนคู่บาอาจารย์เบาพิเาตเาถืออย่างไกนั่งฟังวนไปเออเพิ่นสืสอนแบบใดเพิ่นอาจจะมีเล่ยเียมของเพิ่นก็ได้เออของเพิ่นสืสอนโมเพิ่นถือเข้าพักจิตปักใจถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์เข้าลหละเขาต้องฟังเออฟังฟังเพิ่นวันลงไปเออขณาฟังแล้ววันพุ่นอ่ะเข้าเป็นสมพานเข้าเป็นออก เป็นสมผ่านพุทธบ้อนสมัยอยู่กับผู้วายจารุวงนั้นหลวงปู่นี่ยพันปอดตรงนั้นมันโมแมนเว้ยเขานี่ยพอเหตุบอกแบบนั้นเข้าสีสอนหลุดซีเขาสีผสสอนแบบนั้นเขาสีสอนเอกแบบนึงะเอาก็ะตุง้งคืดวาวอะไแบบตกไปตั้งแต่นั้นแบบ น, นี่แหละอันนี้ก็คือกันเรื่องพอ่อเรื่องแม่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญหลวงพ่อได้ยกเป็นชาติลกหรือเป็นมาในพระธ้ำพระทัตตะต า, ามีภาพผู้หนึ่งในกุงสาวัตถีกุงสาวัตถีก็คือกุงที่พระพุทธเจ้า ประทับนานที่สุดถึง25ปีในกรุงสวัตถีใเมืองอินเดียบาดในมีภามพผู้หนึ่งของภา พ, พ, พก็คือสมัยนั้นมันมีตระกูลไม่มีอยู่4อย่างเลยกษัตริย์พราม์แพทย์สูตรคือพภาพเ น, นีน่ยไกลว่าลองจากกษัตริย์ออกไปเป็นผู้ถือสาธารณพิธีเป็นผู้มีความรู้ใ น, นระดับจัดการจัดงานอาย่างนักสนะนั่นแหละพราม์ต่เนี่ยก็พรามผู้นั้นกัทํางบ้าคาา่าขายออกรวยเลย เด็กก uh, ็จะโกรธโกรธนึงกว่าไปโกรธนึ่งก็คือสิบล้านกว่าไปเออลอยส0บลอยเป็นพันเสิบพันเป็นหมื่นสบมืนเป็นแสนส0บแสนเนเป็นล้าน1ิล้านเป็นโกรธเงีนเงี้โกรธหนึ่งกว่าไถ้าคูมือนิมน่าก็ถึงล้านกว่าไปมัมันมันมีโกรธแต่สมัยประเทศอินเดียโกรธ่ไปนับถึงโกรธคือว่าสิล้านเป็นโกรธนึงเลยาในภาพคนในหางกนแต่โกรธหนึ่ง่ไปอ พ่อต่อมา ก, ก็ได้ลูกอีกเก้าคนบนัดนีอยภาพเลยเป็นผูกขยันมาต่อไปเออได้ลูกเก้าคนลูกชายลวดต่อม่าบัดเนี่ยพอลูกชายกําลังสิงเป็นนมเนาะมันเลี่ยงกันสามลาบขึ้นมาใด้ลูกชายก็ได้เอีคือจะบหวัวปีท่ายปีหวัวปีท้ายปีลักษณะลักษณะถ้าเนี่ยพ่อต่อมา่าแม่ก็เลยตายบัดเนี่ยพอตายลูกชายก็เป็นนมขึ้นมาาละก็เลยปรึกษากันพี่น้องเก่าคนเอ้พอก็ออกมีเงินอยู่พวกเข้านายจะ เอาเงินพอมาถ้ามาคาขายดีบอกพอพวกเขาก็มีครอบขัวต่างคนกับพอก็เลยหาหาแฟนให้ได้หาเมียให้ลูกคนน่ะเป็นขอบใทุกคนเก่าคนล่ะอพอมีครอบขัวแล้วก็เลยบอกกับพอพอเงินสิบ เ, เงินโกดนึงแบงให้พกผมได้อพอพอพอได้หามาเพื่อลูกนั่นแหละเอาสุเจ้าเสียเอาเท่า้ดยพู้พอก็เลยพวกลูกก็เลยเอาขอผู้ละล้านครับเออเอาหายไป วนละล้า ล, ลา ล, ลามันก็บเก่าล้านเป็นหมดเลยโยน้ำพอในล้านนึ่งอพอต่อมาเอกพัดนั้ขออเอเอพ่อขอเอกขอคนละแสนก็เลยให้อีกคนละแสนอพอเงินขาดมือหมดไปต่อมาขอเอกคนละหมื่นเออพอก็ให้บานในขอคนละพันพอก็ให้อีกคนไปบาทในเหลือเงินยังพอพัด น, นึงหมด พ่อต่อมาปัดเงินยังดูเงินยังพอพันพอกระไส่ไปแน่นนให้หลานไปแน่ยังไงมันก็เมดหนึ่งตัวเงินพันเดียวเป็นบ่อละพ่อต่อมาเพระม็ดปัดเนี่ยผู้พอเนี่ยกระยู้น้ำบานหลังไงบ้านลูกสะพ้ายไงลูกชายไงพ่อโย่ไปโย่ไปลูกสะพ้ายไงเนี่ยพูดกันแหนกันแหนแล้วได้ปัดปูของเขาอยู่กับบานเข้าออยู่แต่บานเข้าออไปอยู่บ้านอื่น บาดฮาแบงมรืบแบงทอกันแบงมวนหรืรบแบงทอกันบาดฮาแล้วหมูเวลาอยู่ก็อยู่แต่บาทเห่าอันนี้ก็คือลุกสะัายไงบอกว่าต่อไรเถื่อต่อไรที่พอปูกับโอ้โหขึ้นมาหลายวันแ้หวพวกนี้มันบ่กอยากให้กูอยู่น้าตัวเนี่ยออกแบบนี้เลยใช่ไหบออยู่ก็ไปอยู่ละเลก็เลยไปอยู่บาดที่สองบาดลุกลุกใช่ที่แปด ก็เลยเล่กว่าลูกชายที่หกที่เจ็ดที่ห้าที่สีที่สามที่สองที่หนะึ่งมันก็นยังเบาคือเกาอยู่ลูกสะพายบนรไปว่าแบงว่าลกแบงทอกันบัลลัมาอยู่แต่บ้านเฮานะพอได้โซก็เลยไหวก็เป็นสี่กูนีดีกว่ า, วาจะได้เอาไปมากเขาผ่ามพอดีก็ได้ยามขาดไปหนึ่งเลยก็ใจเสือพาเข้าไปเลยก็ได้หมอโลหูขาดหนวยหนึ่งหมดก็ได้ไม่คอนเท่าจไปแล้วออกจากบ้านเลย คนชูวอรแบบนี้สูงห้กูยูน้าตัวเนี่ยสิกูเส้นหนีพวกระหนาวแต่ไหนตายดับนาตายใช้กระตายแล้วเกิดมาตายเพแห้งน่ะผู้เทาว่าไปไปหาขอท่านกินแล้วบาดไปหาดบ้านไหนก็ขอท่านเลยไปบ้านไหนก็ขอท่านขอขอกินเมื่ออินเดียขอท่านหลายเลยไปขอไปขอมากขอมากข้อไปวะจนไปหอดนาวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าประทับอยู่ผ้ามพนี่ก็เลยเข้าไปเข้าไปในประตูวัดก็เลยไปโอ้ พระพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยเลยพระก็เลยเรียกผ้ามเขามาพ้ามเพนก็เลยเข่าไปพระพุทธเจ้าก็ถามผ้ามไปยังไหนมาจากไหนโอ้ขาพระองค์ตะกรนก็มีอันจะกินเออมีเงินแต่มาก็เลยแบงหาหลูกก็เลยบอกประวัติตัวเองให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าโอ้ผ้ามเดี๋ยวข้าจะให้ข้าถาเขาจะไหนเออให้ข้าถากาวศุนย์ท่อนละพดซิก้ากาววสติเฮียนบอกเฮียนครับ พระพุทธเจ้าหายยั้งเก้ากับผมเอาบัดเออภาพเออเอาถ้าจะงานก็ตั้ ง, จงใจเฮียนและกล้าเว้าวาเลยเฮี้ยนล้วกล้าครับพระพุทธเจ้าให้ยว้ายังเก้ากับผมก็เว้าได้บัดเออเอากระสันเฮี้ยนพระพุทธเจ้าก็ได้สอนสอนคําคมหาวัานออกไปสอนคล้คยๆแบบเป็นคําคมเป็นกะวีให้วันออกไปเป็นกะวีเป็นคําคมหายปฏิสอนเรียบร้อยแล้วกันไปไปหาชุมชนนะไปหาชุมชนที่บ้านของเฮ้า ก็เลยพ่อได้เลยก็มาหาคุ้มแล้วก็เลยคุ้มเอะจังเข้าพวกเข้าเลยว่าคุ้มนั่นคุ้มนี่เลยเออบ้านนั่นคือื่อคุ้มนั่นคุ้มนี่เลยก็มาหาคุ้มเจ้าของเลยพอมา ห, อ ห, อหอ่อพอดก็ประกาศแล้วหน่อยเอ้ ย, อ ย, อยพี่น้องลูกหลานทุกคนนะลูกลูกทุกคนลูกสะใภ้ลูกชายมานเนอะพอมาแล้วบานเนี่ยพอจะมีข้ามสั่งข้ามมาลาเขาข้า ว, าวาก่อนพอไปด้วยโมโหเออก็เลยไปแต่บานนี้ยกับมาสั่งมาล่า ลูกหลานพี่น้องทุกขู่ทุกคนสกอนบารนี้สิบไปบารนีสิบบกลับมาอีกระดับได้บัตรองขั้นภูณรได้ยางมากก็มากเดี๋ยวสิมาสั่งมาลามาสั่งมาเสียคนจะลูกไปเคือมาแบบผูกคอตอแขนลักษณะดังสันเล่าน้นไปแต่นี่ผ้ามเปิลกับบริว่าผูกคอตอแขนเนี่ยเปิลกับว่ามาสั่งมาลาบ้านในพี่น้องลูกหลานทั้งหลายกันลุ้มมาแล้วเนาะม่านนังสาบเปล่าจนพวกเข้ามาดังลงพอวอกสิเหล่านั้นไปดังสาบปล่า ห้ามกันว่าเอา้าฟังไอ้บางคนลูกไส้บางคนก็คิดโอ้ยพอเนี่ยคือสิคนผู้อื่นไม่คงจะเป็นหนีอยู่นั้นพอคงจะบอกให้ไปยืดไปท่วงหนีมองหันมองหนีเรือพอนี่ยอาจจะไปฟังเงั้นฟังท่องไวในดินอาจจะให้ห่าไปคุดเเอองั้นคุดท่องก็ได้เออมาฟังจดจ่อเลยว่นั่งซาปราบที่ยงนั้น พ่อพรามเลยคืนไปก็ยืนกลางฟ่อดลยวันไปกาง ย, ยืนยืนยืนไม่เท่าผมพ่ายยามพร้อมมีหมอโลกเขี้ยนแอลอีกต่างหากวันนไปแล้วก็มีไม่เท่าพรอพภามก็บอกว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ากายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถาน เมื่อพบพานสัตว์ร้ายจะวายบุญเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยอันนี้คือคําที่พระพุทธเจ้าสอนให้พั่มให้พัพมามบอกเอาไปพั่มก็เอาเมาเบ้าแล้วเอาไปเฮ้เลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคือเฮ้าพวกเฮ้านี่ภก็ตามที่เลี้ยงลูกขึ้นมาเนี่เพื่อจะต่อไปพ่ายภาคหนาเฮ้าจะได้พึ่งพาอาศัยเขาเมื่อเฮ้าเ่าแกช่ชรา พอแม่เลี้ยงมากจะซื้อเด้เลี้ยงมาเพื่อจะได้พึ่งพาอาศัยเมื่อเห่าเถ่าแกช่ชราลูกหลานก็จะได้เลี้ยงเห่าเออเพราะมอระโรของเห่าก็มีออให้หน้าเงื่อนสา้นเห่าก็มีที่จะแบ่งให้ลูกให้หลับให้เหต่ามอระโรของเห่าเพราะนั้นเลี้ยงลูกมากเพื่อให้ลูกได้ดูแลเห่าต่อไปพ่ายภาคหนาอันเด็คือยดประสบของพอแม่ที่เลี้ยงลูกเนีย่ยว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบาก แต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคือพ่อแม่นี่ตั้งใจหมายไว้จังสั้นบาตรนี้ก็บบรรยายนี่ถึงไม่เท่าแล้วยไปบดขุดไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้คทำกายย่างย่องจ้องจดตุนจะไปใส่เนี่พ่อจะล้มไม่เท่ากัยังคำหยาดอยู่เลยไปเออมันมื่นคำว่าไม่เท่าคำหยาดขันหมาเสีมากกังเอาไม่เท่าไลาหมาก็ยังได้เออขันง้อควายเสีมากกันยกไม่เท่าขึ้นมาลายง้อลาควายง้อควายก็ยังหยาดไม่เท่า แตเลี่ยงลูกมาทางเก่าคนนเลยบอมีคุณค่าสําหรับพ่อเลยไงภาพว้าวเลยโอ้พ่อลูกใช่แต่เง oh, mm ้ยนเท่านั to, to, to, to. Man, ้นแหละหมอบจอคอเลยวะท้อท้อท้ทแมนความอีพอเบาอีหลีเข้าลปรยปลาเลยอีหลีเออบ่ได้ดูแลพออย่างที่ที่พ่อเบาอีหลีบอยเหตุพ่อทุกกระตําลําบากอ้าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมคูหนึ่งละผมจะดูแลพ่อเนี่ยต่างคนกับต่าง ชอยกันวันในลูกเก่าคนวันอนี่ลหละอันนี้ก็คือพวกเข้าคิดบังลุกที่พระพุทธเจ้าเพิ่นให้ข้ามค่อมหรือว่าให้ผ้าซิทแต่ว่าสุปผ้าซิทนะให้พ้พาม่มนะาา้่มกนะ่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่เา่าเบิ่่่่า่่่่่่่่่่่่่งเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่ เอาหงาหาหสองห์อาหา ร, า ร, ร, รพ เ, พ, าเรพินเ่น เ, เป็นอย่งไดรเสือผ่าเพิ่นเป็นอย่างไรอาหารการบริโภคเป็นอย่งไดรไพรเป็นผู้ทุแร่พี่น้องผู้ใดเป็นผู้เฝาเพิ่นอยู่เฮ้าคนสนับสนุนจังไดพราะพอแม่ถึงหยุดน้ำตัวของเฮ้าเนี่ยพอเพิ่นเลียงเข้ามาเนี่ไปถัดขานของเฮ้าเนี่ร่างกายของเฮ้านี่ออกมาจากพอจากแม่ได้อพอแม่เป็นผู้หายมากเฮ้าจีว่าบอดใดมรรกใดจังไรมรรกนี่ยชินนี่ยการเฮ้ า, อาบอจากไดมรรคพอแม่ก็เสือกพูกข้อเจ้าของ มันแล้วๆใช่เหมฮะเออเออเข้ามาจากใดมรดกพ่อแม่มาจากใดมรดกพ่อแม่มาจากใดที่ดินเจ้าของพันมีอยู่ไหนเอ่อมรดกพ้องพ่อแม่ไหนในตัวของเขานี่เพราะดันเมื่อเข้าได้มรดกพ่อแม่น่ะเข้าเบิ้งพ <itch assessment> ่อเบิ้งแม่เนาะลูกหลานเนาะลูกหลานพ่อแม่เป็นพระหานของบุตรทิดาขันผู้ได้เทศถูกกับพ่อกับแม่น่ะมีแต่ความเจริญหลงเรื่องนะลูกหลานนะเอ่อหลวงพ่อได้เวัาเดชเก้า กับพ่อเป็นแนวท่างให้แกพวกหลานลูกหลานทั้งหลานเนี่ยด็ฟังใ้ศึกษาการพูดการก้าวกับจบเพียงตอนนี้แล้วเนะ้อลูกหลานเนะ้อ